การกระทําอันนี้ก็คือกฎระเบียบวินัยพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันต้องดูการเป็นอยู่ถ้ามีทั้งรู้ทั้งรู้แต่มีที่รับที่แจ้งการกระทําอย่างที่รู้ว่าในวัดของเราไม่ให้ทานอาหารตอนเที่ยงก็จะแล้ ว, วกรนเที่ยงก็จะก็รู้อยู่แล้วว่า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 ทางวินัยไปฉันในเวลาวิการลทางวินิการนั้นโทษหนักะนะท่านทางรู้ทางรู้เราจะไปฉันในเวลาวิการปรับอวบโทษปรับปาจิตติะอะไรท่เออันนั้นไม่ควรให้อาภายอัยอะไรทเออแปลว่าต้องออกมาเฉ่งกันอย่างหนะักหยุดหรือไม่หยุดเอทําไม่หยุดทํามีพฤติกรรมก็ต้องไล่นี้ออกจากวัดเออ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 เหมือนกับนักฟุตบอลตัวเองเตะไม่เป็นเตะสเปซสปะเขาจะให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติได้ยังไงเขาก็ต้องปลดออกเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่อยู่ในกฎกติกาไม่เข้าเป้าพูดง่ายง่าเตะไม่ดีเตะไม่เข้าเป้าเราจะจะให้อยู่ได้ยังไงมันก็ต้องปลดระหว่างไล่ออกไปเอาคนที่มีความสามารถ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 เฉพาะนาพอเรียนจบแล้วก็พอเรียนรู้แนวทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยเหมือนกับเราวิธีการทำนาพวกเท่าเรียนเรียนเกษตรอย่นี้ตั้งสามสี่ปีเรเรียนวิธีการแต่ว่าพวกที่ทำนาเนี่ยเรียนตามพวกกว่อก่ตามครูเลยมอพอมาเสร็จแล้วก็เรียนเรียนแล้วก็ประสบประการแต่เป็นนักสังเกตทำอย่างนี้มันข้ามันเป็นอย่างงั้น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 ท่านก็นรับรองรับประกันท่นว่าเราเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเราชำละใจของเราเป็นบริสุทธิ์แล้วพระหันในครั้งพุทธกาลอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นไรหลวงตาประกาศอย่างนั้นนะคณะทายาโจมลูกหลานนี่แหละท่านจึงเราจรึงยอมรับว่าหลวงตาได้ทั้งทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติในเวลาการแนะนาสั่งสอนของท่าน